เพราะเรื่องที่พวกภิกษุจับพักขีให้ทำเตียงหรือตั่งหุ้มด้วยนุ่นในตูโลนทธศิขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหกสมุดฐาน